ท่านก็ล่องลอยออกไปจากเมืองนรกไปเมืองสวรรค์เยี่ยมเยียนสวรรค์ทุกชั้นตั้งแต่จตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมานารดีปรนิมิตตวะสวดัดีได้เห็นเทพบุตรเทพธิดาเหาะไปมาอยู่ในอากาศรูปร่างสะสวยงดงามมีเครื่องประดับทำด้วยเพชรนิมจินดาส่องแสงเป็นประกายวูบวาบ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 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านสดสดร้อนรอนนี้ทำให้ท่านเข้าใจผิดคิดไปว่าตัวเองสำเร็จแล้วจึงอยากจะไปกลาบเรียนให้ท่านพระครูทราบขณะนั้นเป็นเวลาตีสองคงจะรอให้ถึงรุ่งเช้าไม่ไหวเพราะใจมันร้อนรนอยากจะให้พระอุปชาได้รู้ว่าลูกศิษย์ของท่านสำเร็จแล้วได้เห็นหนอแล้วพลันก็นึกถึงที่ท่านพูดอนุญาตไว้เมื่อตอนสามทุ่มเสร็จเสร็ แสดงว่าท่านจะต้องรู้ว่าสิทธิของท่านมาหาในคืนนี้เมื่อคิดได้ดังนั้นจึงเดินดุ่มดุ่มไปยังกุฏิเจ้าอาวาสโดยไม่สะทกสะท้านต่อความหนาวเย็นของอากาศสุนัขสามสี่ตัวเห็นท่านเดินดุ่มดุ่มมาในยามวิการเช่นนั้นก็ส่งเสียงเห่ากันโชคขึ้นแล้วก็พากันวิ่งกรูเข้ามาพระบัวเหียวจึงต้องส่งเสียงทักทายออกไปสุนัขเหล่านั้นพร้อมใจกันหยุดเห่า แล้วก็วิ่งกลับไปยังที่ตนนอนสมชายสมชายเปิดประตูหน่อยท่านตะโกนเรียกลูกศิษย์วัดเด็กหนุ่มม่วงเงียลุกขึ้นมาเปิดประตูและก็ถามอย่างไม่พอใจนะักหลุงพี่มาทำไมดึกดึ่นๆผมกำลังหลับสบายสบายหลวงพ่อหลับหรือยังถามแทนคำตอบศิษย์วัดก็มองขึ้นไปเห็นไฟสว่างอยู่ก็ตอบว่ายังมัง้งไฟยังเปิดอยู่นี่ ขอขึ้นไปพบท่านหน่อยได้ไหมให้ผมไปถามท่านดูก่อนปกติท่านไม่อนุญาตให้ใครขึ้นไปข้างบนพูดแล้วก็ขึ้นไปหาท่านพระครูยังไม่ทันพูดอะไรท่านก็พูดขึ้นเสียก่อนว่าพระโบเฮียวใช่ไหมบอกให้รออยู่ก่อนประเดี๋ยวฉันจะลงไปและท่านก็ก้มหน้าก้มตาเขียนหนังสือต่อไปอีกสักครู่จึงลงมาข้างล่างมีอะไรหรือท่านทักขึ้น หลวงพ่อยังไม่จำวัดอีกเหรอครับพระใหม่ถามยังมูนิงานยุ่งมากฉันลืมนอนมาหลายวันแล้วล่ะหลวงพ่อไม่ง่วงเหรอครับฉันกำหนดสติอยู่ตลอดเวลามันก็เลยแก้ง่วงได้จำไว้เวลาถึงง่วงมากๆให้ตั้งสติไว้ตรงลิ้นปีกแล้วกาหนดง่วงหนอง่วงหนอรับรองหายง่วงเป็นปลิดทิ้ง พระโวเหวกําลังจะเอ่ยปากพูดก็พอดีท่านพระครูพูดขึ้นว่าไม่เธอรู้ไหมฉันกําลังเขียนหนังสือคู่มือสอบอารมณ์กรรมาฐานเขียนมาได้ร้อยกว่าหน้าแล้วลหละเผื่อว่าฉันตายไปจะได้มีตำราวไว้สอบอารมณ์ในการปฏิบัติหนังสือแบบนี้ยังไม่มีใครเขียนมาก่อนจุนเสร็จหรือยังครับยังอีกหลายปี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 บอกอย่างปิติเออเร็วถึงขนาดนั้นเชียวรืแล้วรู้ได้อย่างไงว่าได้หรือว่ามีใครมาบอกครับมีเสียงมากระซิบข้างหูผมกระซิบว่าอย่างไงบอกว่าท่านสําเร็จแล้วท่านสําเร็จแล้วครับอ๋อท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มพระบัวเหี่ยวก็เลยทําหน้าปันยากท่านพระครูยิ้มแบบนี้ทีไรเป็นได้เรื่องทุกที แล้วเสียงที่เธอได้ยินเป็นเสียงเดียวกันกันกบที่ได้ยินเมื่อปีที่แล้วรึเปล่าไม่ใช่แน่ๆครับเสียงเมื่อคืนไพเราะน่าฟังกว่าแล้วเขายังบอกอยังไงอีกพระอุปชาสักเขาบอกให้ผมท่องเที่ยวไปอยากไปไหนก็ไปได้ทุกหนทุกแห่งเพียงแต่นึกเท่านั้นก็ไปได้แล้วผมก็เลยไปเที่ยวเมืองนรกเมืองสวรรค์ที่เมืองนรกผมพบยอมพ่อด้วย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 ใครบอกเธอนะ Bo าบวยเหียวถเธอถูกมารมาหลอกเอาน่ะสิถูกมารหลอกเหมือนกับที่ฉันเคยถูกหลอกมาแล้วคราวนี้พระบวยเหียวถึงกับใจฝ่อแฟบลงไปถามเสียงอ่อยว่าหมายความว่าอย่างไรครับแสดงว่าผมเห็นไม่จริงใช่ไหมครับจริงสิเธอเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เธอเห็นน่ะไม่จริงเข้าใจหรือยังละ่ะยังไม่เข้าใจครับ หลวงพ่อการุณาขยายความหน่อยเธอครับผมชักงงคนซื่อตอบซื่อๆที่เธอไปเห็นนรกสวรรค์นะ่ะเธอเห็นจริงๆเหมือนกับตอนที่ฉันเห็นฉันก็เห็นจริงๆแต่นรกสวรรค์ที่เธอเห็นหรือว่าที่ฉันเห็นนั้นมันไม่จริงเรียกว่าเราสองคนต่างก็ไปเห็นของไม่จริงว่าอย่างนั้นเธอที่ว่าไม่จริง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 ถึงไม่จริงละครับพระใหม่ยังไม่หายสงสัยแทนคำตอบท่านพระครูกลับย้อนถามว่าเธอไม่แปลกใจบ้างหรือบุฮีวว่าเธอมาปฏิบัติแค่สองวันก็สามารถเห็นนรกสวรรค์ที่คนอื่นๆเข้าปฏิบัติกันมาเป็นสิ บ, ส, บสิบปีก็ยังไม่เห็นมันแล้วแต่บุญบารมีของแต่ละคนนี้ครับคนซื่อเลี่ยงตอไปสิอีกทางตอบอย่างนั้น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 ได้แก่ความปวดเมื่อยขันตรงโน้นเจ็บตรงนี้เวลาที่เธอปวดขาแทบหลุดนั่นแหละเธอกำลังผชนกับขันธมารกิเลสมารได้แก่กิกเลต่างๆเช่นนั่งแล้วอยากเห็นเลขก็เป็นโลภะนึกขัดเคืองเคียดแค้นคนอื่นก็เป็นโทสะหรือนั่งเพลินๆติดสุกก็เป็นโมหะเทวะกุตตมารก็เช่น เห็นเทพบุตรเทพธิดาเห็นนรกสวรรค์อย่างที่เธ อ, อเผชิญมาแล้วอภิสังขารมานก็ได้แก่ความคิดปรุงแต่งอยากเห็นโน่นเห็นนี่อยากได้เห็นหนออยากสําเร็จพระอรหันส่วนอันสุดท้ายก็คือมัจจุมานอันนี้ร้ายที่สุดเพราะว้าตายไปแล้วโอกาสที่จะมานั่งพองหนอยุบหนอก็ไม่มีเพราะฉะนั้น เธอจะต้องรู้เท่าทันมารเหล่านี้ขอให้จำไว้ว่ามารไม่มีบารณีไม่เกิดเพราะฉะนั้นเธอต้องเอาชนะมารให้ได้พระบวชใหม่เดินกลับกุฏิอย่างเงาหงอยแอบรำพึงในใจว่าไม่น่าเลยตูถูกมารหลอกเข้าจนได้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 เป็นกระเป๋าไว้คลิปทองลักษณะคล้ายตะก้ามาของคนสมัยก่อนแต่ใบเล็กกว่าแล้วก็ลวดลายละเอียดประณีต ก, กว่าผู้ใดรู้ราคาของกระเป๋าใบนี้จะต้องตกใจเพราะคุณหญิงซื้อมันมาด้วยราคาสูงถึงสอง0ันบาทซึ่งเงินจนวนนี้ซื้อทองหนักหนึ่งบาทกับหนึ่งจะลึงได้สบายๆเสื้อผ้าอภรรท์ที่คุณหญิงสวมใส่นั้นบ่งบอกถึงความเป็นผู้มีรถนิยมสูง ซึ่งแน่นอนเหลือเกินที่ราคาจะต้องสูงตามไปด้วยหากคิดเป็นเงินก็คงจะเอามาสร้างกุฏิกรรมฐานได้นับสิบหลังทีเดียวใบหน้าของสตรีวัยห้าสิบถูกตกแต่งไว้อย่างตั้งใจจะให้สวยงามทั้งลงพื้นวาดแผนที่ทาสีและแรงเนาแต่ก็มีอาจปิด บ, บังความรุ่งโรยแห่งสังขารไว้ได้ท่าทางคุณหญิง ดูถือตัวแล้วก็ไม่เป็นมิตรกับใครครูบุญมีมองปลาดเดียวก็รู้สึกไม่ถูกชะตาแอบข้นในใจว่าโธ่เอ้ยกะอีแค่กระเป๋าใบเดียวก็ต้องมีคนถือให้คณะผู้มาใหม่ทําความเคารพท่านพระครูพระโบเหียวแอบสังเกตว่าคุณหญิงกราบเบญจังข้าปติดิไม่เป็นครูบุญมีก็สังเกตเห็นเช่นกัน เลยเกิดความรู้สึกไม่ชอบหน้าหนักขึ้นไปอีกเจริญพรท่านรัฐมนตรีไปยังไงมายังไงถึงมาถึงที่นี่ได้ท่านพระครูทักทายได้ยินเขาลือกันว่าคนนี้แหละที่จะนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปพระผมได้ยินกิจสรัร์ของท่านพระคุณเจ้ามานานบังเอิญมาธุระแถวนี้ก็เลยแวะมากราบท่านครับ รัฐมนตรีตอบแล้วเหตุการณ์ทางกรุงเทพเป็นยังไงยัยงไม่เรียบร้อยไม่ใช่หรือท่านพระครูหมายถึงเหตุการณ์วันมหาวิประโยคซึ่งเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆก็เรื่องนี้แหละครับที่กระผมจะมาเรียนปรึกษาพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านพระครูนิ่งไปอึดใจหนึ่งก็จึงพูดขึ้นว่า ความจริงเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องทางโลกอาตมาเป็นสงไม่อยากไปออกความเห็นแต่เอาเถอะไหนๆท่านก็ถามแล้วอาตมาก็ขอตอบว่าเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมคราวนี้แหละคนจะได้เชื่อกันสถทีว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยังยังไม่จบเพียงแค่นี้หรอกจำคำพูดของอาตมาไว้นักครูใหญ่นะท่านหันไปพูดกับครูสลิด ถ้าไม่เชื่อกลับไปถึงบ้านแล้วจดบันทึกไว้เลยว่าวันที่เท่านี้เดือนนี้ปีพศออนี้อาตมาพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วถ้าไม่จริงตามที่อาตมาพูดให้มาปรับอาตมาได้อาตมาจะให้ปรับสองหมื่นบาทท่านพูดยิ้มยิ้มนะครูใหญ่นะครับครูใหญ่รับคำด้วยไม่รู้จะพูดอะไรให้ดีไปกว่านั้น ดีแล้วเอาละอาตมาไม่ใช่หมอดูแต่ก็จะทำนายว่าอีกสามปีนับจากนี้ไปจะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันกับวันมหาวิประโยคอีกและอีก15ปีคือปี2531อจะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นที่ภาคใต้น้ำจะท่วมถึงยอดตานวัดวาอารามจะพังพินาศคนจะล้มตายเป็นจำนวนมากต่อจากนั้นอีกยี่สิบปี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 ท่านรัฐมนตรีเคยเห็นทะเลทรายไหมเคยครับรัฐมนตรีตอบนั่นแหละปกติเราคิดว่ามีแต่ทะเลน้ำกับทะเลทรายแต่อีกสิบห้าปีจะมีทะเลสุงเป็นยังไงทะเลสุงคุณหญิงถามพรางนึกในใจพระองค์นี้พูดบ้าๆแล้วก็ต้องสะดุง้งเมื่อท่านพระครูตอบว่าไม่บ้าหรอกคุณหญิงเอาเถอะ ถึงเวลานั้นคุณหญิงจะรู้เองว่าทะเลสุงมันเป็นอย่างไรคุณหญิงจึงแอบคิดต่อไปอีกว่าแน่เสือกรู้อีกว่าเราคิดยังไงคราวนี้ท่านพระครูถึงกับอึง้งถ้อยคำที่คุณหญิงใช้หยาบเกินกว่าจะยอมให้มันออกจากปากของท่านเห็นท่านไม่โต้อตอบคุณหญิงก็เลยคิดว่าท่านไม่รู้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับหลวงพ่อครูใหญ่ถาม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 ห้องทั้งห้องจึงเต็มไปด้วยหนังสือมีที่ว่างเหลือไว้ให้คนนั่งได้ไม่เกินสี่คนและที่ตรงนี้ก็คือที่นอนของท่านนั่งลงแล้วรัฐมนตรีจึงพูดขึ้นว่ากระผมมีเรื่องร้อนใจอยากจะเรียนปรึกษาพระคุณเจ้าว่ากระผมจะทำประการใดดีหรือไม่ถ้าทำจะสำเร็จไหมเพราะถ้าสาเร็จผมก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีท่านพระครูตอบทันทีว่า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 นั้นก็ช่างแมวเธอะเป็นเสียงตอบลงมารัฐมนตรีไม่กล้าออกมาพูดกับภรรยาด้วยเคยกลัวเคยเกรงกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังกลัวยังเกรงอยู่ก็ม่ใช่บารมีของคุณหญิงหรอกหรือที่ทำให้ท่านรุ่งโรดเรองรอมาจนถึงทุกวันนี้ที่พระคุณเจ้าว่าไม่ดีหมายความว่าไม่สาเร็จหรือครับแต่กระผมมั่นใจว่าต้องสาเร็จ เพราะคุณหญิงเขาวางหมากเอาไว้หมดแล้วก็เพราะอย่างนั้นนะสิอัตมาถึงว่าไม่ดีพูดกันตรงๆเลยนะว่าท่านจะพังก็เพราะคุณหญิงนี่แหละคราวนี้คนแอบฟังอยากจะร้องกรีตดออกมาท่านพระครูจึงพูดเสียงดังกว่าเก่าว่าอย่าเพิ่งร้องคุณหญิงใจเย็นๆฟังอัตมาพูดให้จบก่อนแล้วค่อยร้องคุณหญิงจึงจำใจแอบฟังต่อไป แต่ที่กระผมขึ้นมาได้ถึงขั้นนี้ก็เพราะฝีมือคุณหญิงเขานะครับพระคุณเจ้าคุณหญิงเขาเป็นคนกว้างขวางเขาเข้าเจ้านายเก่งพูดอย่างรู้บุญรู้คุณภรรยาถูกแล้วแต่ท่านอย่าลืมว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งผู้นำประเทศท่านจะต้องเป็นผู้นำสูงสุด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 แล้วท่านกับคุณหญิงจะต้องเดือดร้อนหาความสงบสุขไม่ได้เลยท่านตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันว่าจะเป็นรัฐมนตรีแล้วอยู่สบายๆหรือจะเป็นนายกแต่ต้องเดือดร้อนถ้าอย่างนั้นผมเห็นจะต้องปรึกษาคุณหญิงดูก่อนรัฐมนตรีแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ต้องปรึกษาหรอกอาตมาตอบแทนคุณหญิงได้เดี๋ยวนี้เลยว่า คุณหญิงต้องให้เลือกอย่างหลังเพราะเขาไม่เชื่อที่อาตมาพูดคุณหญิงซึ่งแอบฟังอยู่ชักงงที่พระรูปนี้จังรู้ความในใจของเธอไปเสียทุกอย่างรัฐมนตรีคอตกไม่รู้จะเชื่อพระดีหรือว่าเชื่อภรรยาดีคงต้องเลือกเอาอย่างหลังเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าท่านไม่เชื่อที่อาตมาพูด อาตมาจะให้ท่านพิสูจน์โดยจะย้อนอดีตที่ผ่านมาว่าท่านทําอะไรผิดพลาดไปบ้างแล้วทีนี้ท่านจะเชื่ออาตมาหรือว่าจะเชื่อคุณหญิงก็สุดแล้วแต่ท่านแล้วท่านพระครูก็เล่าเรื่องตั้งแต่ครั้งอดีตของรัฐมนตรีที่มีคุณหญิงเป็นผู้บงการมาโดยตลอดคนนั่งฟังกับคนแอบฟังต่างยอมรับในใจว่าทุกเรื่องที่ท่านเล่ามานั้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ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 จึงทํานายเป็นเสียงเดียวกันวัดดีมีวัดที่เจ็ดนี่แหละที่ผิดแปลกไปจากวัดอื่นๆจะเชื่อหกวัดหรือวัดเดียวดีนอท่านพระครูรู้ความคิดของคนทั้งสองก็จึงกล่าวขึ้นว่าพระที่ท่านไปพบมาทั้งหกวัดนั้นท่านก็ไม่ได้ทายผิดเพราะตอนนี้ไม่ว่าท่านจะไปถามพระหรือว่าถามหมอดูที่ไหนที่ไหนเขาก็ต้องบอกว่าดีทั้งนั้น อาตมาเขวะดีแต่มันดีเฉพาะตอนแรกๆเข้าตำราหัวมงกุฎท้ายมังกรยังไงละ่ะขอให้เชื่ออาตมาสักครั้งเถอะอาตมามีความจริงใจไม่เคยแนะนําใครไปในทางที่เสียเมื่อเดือนที่แล้วก็มีในผลท่านหนึ่งมาที่นี่จะมาขอให้อาตมาช่วยท่านจะปฏิวัติอยากเป็นนายกเหมือนท่านนี่แหละอาตมาดูแล้วเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ ก็เรียนท่านไปตามตรงรู้สึกคุณหญิงเขาก็ไม่พอใจอาตมาหน้างอเป็นม้าหมักรุกกลับไปเลย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 แต่นี้อาตมาช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าเรื่องกฎแห่งกรรมไม่มีใครช่วยใครได้และกฎแห่งกรรมเนี่ยใครเป็นคนสร้างครับพระคุณเจ้าแม้จะเป็นถึงรัฐมนตรีหากก็มีความรู้เชี่ยวชาญทางโลกเท่านั้นส่วนทางธรรมแทบจะเรียกได้ว่ามืดบอดกฎแห่งกรรมก็คือกฎแห่งเหตุผลเหตุอย่างไรผลก็เป็นอย่างนั้นเหตุดีผลก็ดี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 เราทำกรรมอันใดไว้ดีก็าตามชั่วกว็าตามเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นอาตมาจึงช่วยท่านไม่ได้คนฟังทั้งในห้องและนอกห้องเริ่มจะทราบซึ้งในรรัระธรรมท่านพระครูจึงเทศนาต่อไปว่าคนเราจะล่ำรวยหรือยากจนจะสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำ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 ปีรุ่งขึ้นถึงมาน่าสงสารต้องชดใช้กรรมสาหัสสากันทีเดียวอาตมาตั้งใจว่าจะช่วยเขาให้มากที่สุดสงสารเลอกเกินก็ไหนพระคุณเจ้าบอกว่าเรื่องกฎแห่งกรรมช่วยกันไม่ได้ยังไงล่ะครับรัฐมนตรีท้วงคนที่แอบฟังอยู่หน้าประตูกำลังคิดอย่างเดียวกันอาตมาหมายถึงว่าช่วยในส่วนที่พอช่วยได้ เช่นช่วยแนะนำในเรื่องการปฏิบัติให้เขาแต่เรื่องกฎแห่งกรรมอัตมาช่วยไม่ได้อย่างแน่นอนเขาสร้างเหตุมาอย่างไรก็ต้องรับผลอย่างนั้นถึงตอนนี้ทั้งคนในห้องและนอกห้องก็ถึงบางออเอแต่พระคุณเจ้าครับทำไมคนบางคนทำชั่วแล้วได้ดีล่ะครับคนประเภทนี้เท่าที่ผมเห็นมีมากเสด้วยกระทั่งมีคนกล่าวไว้ว่า ทำดีได้ดีมีท it, ี่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแบบนี้แสดงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่จริงเสมอไปใช่ไหมครับก็อย่างที่อาตมาพูดไปเมื่อตะกี้นั่นแหละว่าเรื่องกรรมมันสลับซับซ้อนเราจะมาตัดสินเอาเฉพาะที่เราเห็นนั่นไม่ได้ว่ากันโดยหลักแล้วคนทำดีต้องได้ดีคนทำชั่วต้องได้ชั่ว แต่คนที่ทำชั่วแล้วได้ดีนั้นเพราะเขายังกินบุญเก่าเขากินบุญเก่าอยู่คือมีความดีสะสมเอาไว้มากอาจจะสะสมไว้ตั้งแต่ในอดีตชาติแต่พอบุญเก่าหมดเมื่อไรเหมือนนั้นกรรมชั่วก็จะมาให้ผลส่วนคนที่ทำดีได้ชั่วก็เพราะว่ากรรมชั่วที่เคยทำไว้แต่ครั้งอดีตยังให้ผลไม่หมดกรรมมันก็ให้ผลไม่พร้อมกัน ถ้ากรรมชั่วกำลังให้ผลกรรมดีจะรออยู่ก่อนหรือถ้ากรรมดีกำลังให้ผลกรรมชั่วจะรออยู่เช่นกันเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆก็คือที่ที่ท่านกำลังนั่งอยู่ขณะ น, นี้ตราบใดที่ท่านยังไม่ลุกออกไปคนอื่นจะมานั่งไม่ได้ต้องรอให้ท่านลุกไปเสียก่อนจริงไหมจริงครับรัฐมนตรีตอบคนแอบฟังอยู่เผลอตอบออกมาว่าจริงค่ะ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 หรือทำอยู่ซึ่งกรรมชั่วถึงแม้ว่าจะเหาะหนีไปก็ย่อมไม่พ้นจากความทุกข์ได้เลยอย่างพระโมคคัลลานะนั่นยังไงเหาะได้แต่หนีกรรมไม่ได้ท่านคงเคยได้ยินชื่อพระโมคคัลลานะใช่ไหมอัครส า, าวกของพระพุทธเจ้าผู้เลิศในทางฤทธิ์มีฤทธิ์มากเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ก็ยังต้องถูกโจรทุบจนกระดูกแลกเป็นเมล็ดข้าวสารหัก เพราะในอดีตชาติเคยทุบตีบิดามานดามีขนาดสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ก็ยังต้องชดใช้กรรม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 ถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเราๆก็ไม่ต้องสงสัยแต่นั่นท่านเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ถ้าตายลักษณะนั้นก็เสียชื่อหมดท่านก็เลยใช้คาถาประสานกระดูกแล้วก็เหาะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขออนุญาตปารินิพานพระอรหันต์สมัยพุทธกาลถ้าจะปรินิพานต้องมาทูลขออนุญาตพระพุทธเจ้าเสียก่อนไม่อย่างนั้นก็ปรินิพานไม่ได้ ท่านเหลือบมองดูนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฟ้าขณะนั้นเป็นเวลาส1อนาฬิกาจึงพูดขึ้นว่าเดี๋ยวไปรับประทานอาหารก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ท่านไม่มีธุระที่ไหนไม่ใช่หรือไม่มีครับกระผมตั้งใจจะมาเรียนถามพระให้ครบเจ็ดวัดพอดีวัดนี้เป็นวัดสุดท้ายแล้วผมชักจะติดใจคุยกับพระคุณเจ้าและผมตาสว่างขึ้นมาอีกเป็นกอง คงต้องหาโอกาสมาที่นี่อีกให้ได้คุณหญิงรีบย่องลงมาข้างล่างก่อนท่านพระครูจะเห็นประเดี๋ยวหนึ่งรัฐมนตรีจึงตามท่านเจ้าอาวาสลงมาเชิญรับประทานอาหารกันก่อนท่านบอกทุกคนที่อยู่ณที่นั้นพระโบเฮียวกราบสามครั้งและลุกออกไปเลาะเกรงพิกจุอื่นๆจะรอ แล้วพระคุณเจ้าไม่เป็นฉันหรือครับได้เวลาฉันเพนแล้วอาตมาฉันเช้ามือเดียวยกเว้นโอกาสพิเศษที่ญาติโยมเขานิมนต์จึงจะฉันสองมือได้รู้ได้เห็นความเป็นอยู่และการครองชีวิตที่ยึดหลักสันโดษเป็นที่ตั้งรัฐมนตรีก็ยิ่งศรัทธาในบรรพชิต ร, รูปนี้เป็นอันมากเพราะพระสงฆ์เท่าที่เคยสัมผัสนั้น ล้วนมีความเป็นอยู่ที่ไม่ก่อให้เกิดความศรัทธาเริ่อมใสเป็นต้นว่านอนห้องแอร์มีรถยนต์ส่วนตัวใช้มีความโลภในลาบจาั ก, การะและที่สำคัญที่สุดคือไม่สามารถแสดงธรรมที่แก่มแจ้งลึกซึ้งเช่นนี้ได้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 ไม่รู้ว่าคนที่ตนกำลังพูดด้วยเป็นคุณหญิงในตำรวจผู้ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าถือราคาแพงจึงต้องบอกว่าป้านี่คุณหญิงนะป้าขอโทษเจ้าค่ะคุณหญิงอีฉันไม่ทราบจริงๆอย่าถือสาคนบ้านนอกคอกนานเลยนะเจ้าค่ะแม่ครัวพูดพร้อมกับยกมือไหว้ปลกปลกไม่เป็นไรจ้ะแหมกับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยปลาเกลือทอดเค็มก็กาลังพอดี แกงส้มปรกกาดดองก็ลดกลมกลม่อมใส่ผงชูรสหรือเปล่าจ๊ะไม่ได้ใส่โจค่ะหลวงพ่อท่านให้ใส่สติแทนบอกว่าผงชูรสก็สู้ไม่ได้เป็นยังไงจ๊ะใส่สติคุณหญิงไม่เข้าใจคือท่านให้แม่ครัวนั่นเข้ากรรมฐานเจริญสติปัฏฐานสี่คนละเ็ดวันเวลาทำกับข้าวก็ให้กำหนดสติโจค่ะถึงตอนนี้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 เจ้าค่ะแล้วแต่แขกมากแขกน้อยก็เลี้ยงคนทั้งวัดนี่เจ้าค่ะบางวันก็มีถึงห้าร้อยค่ากับข้าวก็ตกสามพันบาทเฉลี่ยหัวละหกบาทต่อวันนี่ขนาดวันละสองมื้อนะเจ้าค่ะหลวงพ่อท่านให้ถือศีลแปดกันทุกคนแล้ววัดเอาเงินที่ไหนมาจ่ายละจ๊ะก็มีคนบริจาคเรื่อยๆเจ้าค่ะแต่ถ้าไม่มีจริงๆหลวงพ่อท่านก็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 รสเลิศที่ว่ารสเลิศเพราะหวานมันเค็มพอดิบพอดีคุณหญิงมีอันต้องเรียกแม่ครัวคนเดิมมาถามอีกว่าป้าจ๊ะข้าวเมาพลาอร่อยจังทํายังไงจ๊ะฉันจะได้ไปบอกแม่ครัวที่บ้านให้ทําบ้างแม่ครัวหน้าบานอีกครั้งสาธยายว่าทําไม่ยากหลบเจ้าค่ะคุณหญิงแต่ถ้าจะให้อร่อยมันต้องอาศัยแทกติกอะไรจ้แทกติก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 อีฉันจำเข้ามาเจ้าค่ะแม่ครัวสารภาพสงสัยคงจะเป็นเทคนิคมั้งป้าคนเป็นรัฐมนตรีทวงเออเออใช่เจ้าค่ะนางหันไปพยักพเพย์ยกับรัฐมนตรีแล้วก็หันไปพูดกับคุณหญิงว่ามันต้องอาศัยเทคนิคเจ้าค่ะคุณหญิงเทคนิคอะไรบ้างป้าบอกหน่อยได้ไหมจ๊ะอุ้ยทำไมจะบอกไม่ได้เจ้าคะเทคนิคนั้นแรกก็คือ การเลือกข้าวเม่าที่จะนํามาพลาานั้นน่ะต้องเลือกชนิดนิ่มๆวิธีที่จะได้ข้าวเม่านิ่มๆก็ต้องอาศัยเทคนิคอีกเหมือนกันคือข้าวที่จะเอามาคั่วนั้นจะต้องเกี่ยวมาตอนมันสดๆที่เม็ดยังไม่ทันเหลืองแต่ถ้าเขียวเกินไปก็แสดงว่ายังเป็นน้ํานมอยู่ใช้ไม่ได้ต้องให้สีอมเขียวอมเหลืองถึงจะกําลังดีเสร็จแล้วก็เอามานวดให้เหลือแต่มเมล็ด แล้วก็คั่วเสร็จก็ใส่ครกตำทั้งอย่างร้อนๆอย่าปล่อยให้เย็นเพราะว่าถ้าข้าวเม่าเย็นจะแข็งต้องตำร้อนๆถึงจะนิ่มเห็นไหมคะว่าเวลาตำก็ต้องใช้เทคนิคพอตำเสร็จก็เอามาฝัดอย่างมีเทคนิคคือต้องเก็บกา ก, ากออกให้หมดแหมเทคนิคแยะจังนะป้านะรัฐมนตรีขัดขึ้นเจ้าค่ะไม่อย่างนั้นไม่อร่อยซิเจ้าค่ะจ้ะจ้ะ แล้วยังไงอีกจ้ะคุณหญิงอยากรู้เมื่อฝัดเสร็จก็เอาเกลือมาละลายกับน้ำฝนที่อบได้ดอกมะลิชิมพอให้เค็มปลแปล่ น, ลนอย่าให้เค็มเกินหรือว่าจืดเกินเสร็จแล้วก็เอาน้ำเกลือพรมเข้าเมาให้ทั่วเวลาพรมต้องใช้เทคนิคนะเจ้าคะ่ะคือพรมพอหมัดๆมถ้าแฉะไปเข้าเมาจะติดกันเป็นก้อนแต่ถ้าพรมน้อยเกินไปเข้าเมาก็นิ่มไม่เสมอกัน เมื่อพรมน้ำเกลือทั่วแล้วก็หากลามังหรือว่าฝาม่อมาครอบหมักเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงระหว่างที่รอเอามาพร้ามาขูดมะพร้าวก็ต้องเลือกที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปเวลาขูดก็ต้องใช้กระต่ายขูดไม่ใช่เครื่องเพราะว่าจะทําให้บูดเร็วแล้วก็ไม่ต้องขูดให้ถึงก้นกะลาเดี๋ยวจะดูดําไม่น่ากินเสร็จแล้วก็เอาไปคลุกเข้าเมาที่หมักไว้คลุกให้ทั่วๆนะเจ้าคะ เวลารับประทานก็เอา น, น้ําตาลโรยหน้าบางคนก็นิยมรับประทานกับกล้วยไข่ไม่มีกล้วยไข่ก็ใช้กล้วยน้ําว้าแทนก็พอได้อ๋อน้ําตาลที่ใช้จะต้องมีเทคนิคนะเจ้าค่ะคือต้องเลือกชนิดที่เป็นเม็ดเล็กๆถ้าเม็ดใหญ่ต้องนํามาปนใช้ก่อนเวลาปนก็ต้องใช้ครกที่สะอาดเพราะหากมีกลิ่นพลิซ ก, กลิ่นกระเทียมปนมันก็จะเสียความอร่อยเจ้าค่สะสาธยายจบ ก็หอบหักหักเพราะเสียงพี่ใช้ดังเกินพิกัดไปหน่อยขอบใจเจ้าป้า ไ, ได้ความรู้อีกแยะเลยพูดพลางยกแก้วน้ำขึ้นดื่มเพิ่งสังเกตว่า แม้แต่น้ำยังอร่อยจึงออกปากชมว่าน้ำนี่เดิมแล้วชื่นใจจังน้ำฝนหรือเปล่าจะป้าเจ้าค่ะหลวงพ่อท่านให้รองไว้ในแทงการรองน้ำฝนก็ต้องใช้เทคนิคนะเจ้าค่ะคนเทคนิคมากอธิบายเห็นคนฟังไม่ซักจึงพูดต่อไปว่าคือตกหนแรกฝนสองอย่าเพิ่งไปรองเพราะว่าฝนละอองยังไม่หมดต้องหนสามนสี่ถึงจะใช้ได้ ดังนั้นนอกจากจะอิ่มท้องแล้วคุณหญิงยังได้เทคนิคการทำข้าวเม่าพลาเป็นของแถมอีกด้วยอารมณ์เธอจึงดีขึ้นเรื่อยๆและไม่ขัดข้องที่สามีจะกลับไปคุยกับท่านพระครูอีกเธอจึงเริ่มสนใจท่านพระครูมีอะไรอะไรพิเศษไปกว่าพระที่เคยรู้จักรับประทานอาหารกันเป็นที่อิ่มน้ำสำราญแล้วรัฐมนตรีก็นาคณะของตนกลับมายัางกุฏิเจ้าอาวาสอีกครั้งท่านพระครูรู้ว่า วันนี้จะต้องเล่าเรื่องคุณนายลำยัยจึงจะให้ลูกศิษย์วัดไปตามพระบุเหียวมาฟังด้วยพระคุณเจ้าไม่รู้สึกหิวหรือครับไม่ตำรวจถามเพราะตัวเขาแม้จะรับประทานวัลสามือ้อก็ยังต้องหาอะไรรองท้องแทบทุกครั้งก่อนเข้านอนไม่หิวอาตมาชินแล้วสมัยเดินธุดงไปป่าดงพญาเยน็นเคยอดเจ็ดวันเจ็ดคืนติดติดกัน ยังอยู่ได้ท่านพระครูตอบพระคุณเจ้าคะอิจันเออสงสัยจังเลยค่ะว่าพระคุณเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าคนคนนี้คิดอะไรหรือมีความเป็นมาอย่างไรคุณหญิงถามขึ้นอาตมาก็ใช้เห็นหนอน่ะสิคุณหญิงสนใจไหมละ่ะสนใจค่ะทำยังไงคะไม่ยากหรอกคุณหญิงวิธีง่ายๆใครๆก็ทำได้ แต่ต้องทําจริงๆทําให้จริงก็ไม่ได้วิธีทว่าก็ต้องคือให้เจริญสติปัฏฐานสี่พอสติดีถึงขั้นเห็นหนอก็เกิดเองอย่าลืมว่าเห็นหนอเนี่ยมีค่ามหาศาลทีเดียวใช้ดูกฎแห่งกรรมได้ชัดแจ๋วเลยดิฉันขอเรียนวิชาที่ว่านี้ได้ไหมเจ้าคะหรือว่าผู้หญิงเรียนไม่ได้ทําไมจะไม่ได้ผู้หญิงผู้ชายเรียนได้ทั้งนั้น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 บ้านอยู่อ่างทองครูวงเป็นครูประชาบาลจังหวัดอ่างทองสอนวิชาศิลธรรมแต่กินเหล้าเมาทุกวันนอกจากกินเหล้าแล้วยังเจ้าชู้อีกด้วยส่วนคุณนายลำไยก็ปากจัดด่าไฟแลบเลยแกอ่านหนังสือไม่ออกเพราะไม่เคยเรียนวันหนึง่งแกมาหาอาตมามาฟ้องเรื่องผัวเจ้าชู้อาตมากับครูวงรู้จักกันดีแกมาวัดนี้บ่อย พอคุณนายลำใหญ่มาฟอ้องอาตมาก็เลยบอกแกว่าถ้าอยากให้ผัวเลิกเจ้าชู้ก็ต้องมาเข้ากรรมฐานที่วัดเจ็ดวันคุณนายลำใหญ่ก็มาอาตมาก็สอนให้แกเจริญสติปัญญาสี่ปรากฏว่าแกทำไม่ได้เลยเดินจงกรมไม่ได้ขวาย่างเป็นซ้ายย่างซ้ายย่างเป็นขวาย่างเพราะแกไม่รู้กระทั่งว่าข้างไหนเท้าซ้าย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 ท่องพุทธคุณได้ไหยแกก็บอกว่าไม่ได้อีกเลยบอกแกกลับบ้านวันรุ่งขึ้นให้มาใหม่เอาลูกมาด้วยคนหนึ่งแกก็กลับไปรุ่งขึ้นก็มากับลูกชายคนหนึ่งเป็นหนุ่มแล้วอัตมาก็ให้ลูกแกจดบทสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและพาหุงมหากาแล้วบอกไปสอนให้แม่ท่องท่องได้แล้วให้มาหา ลูกแกก็ไปสอนแม่ท่องวเว ล, ลาสองตัวเวลาตัวสองตัวหายไปเดือนหนึ่งแกก็กลับมามาท่องให้อัตมาฟังได้อย่างถูกต้องกล่องแกล้วอัตมาก็บอกว่าดีแล้วทีนี้เวลาไหว้พระสวดมนต์ให้ท่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและพาหุงมหาการหนึ่งจบแล้วก็ท่องพุทธคุณอย่างเดียวเท่าอายุบวกหนึ่ง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 แกเดินจงกรมวันละสองชั่วโมงนั่งสมาธิวันละสองชั่วโมงทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอย่าลืมพอสติดีสัอย่างอะไรอะไรก็ดีไปหมดท่านพระครูเน้นแล้วก็เล่าต่อไปว่าวันหนึ่งครูวงผัวแกโกหกว่าจะไปเก็บค่าเจ้านาที่ไชานาศแต่ที่แท้ไปหาเมียน้อยซึ่งเป็นแม่ม่ายอยู่ที่ปากน้ำโพหายไปสี่วันขากลับ ให้เงินแม่ไม้ไว้สามร้อยคุณนายลำไยแกอยากจะรู้ว่าผัวไปไหนแกก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างลาสองชั่วโมง